ตัวสภาวะอาญาตนะแปลว่าที่ต่อหรือแดนหมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้แดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้แปลอย่างง่ายๆว่าทางรับรู้มีหกอย่างดังที่เรียกในภาษาไทยว่าตาหู จมูกลิ้นกายใจที่ว่าต่อหรือเชื่อมต่อให้เกิดความรู้นั้นต่อหรือเชื่อมต่อกับอะไรตอบว่าเชื่อมต่อกับโลกคือสภาพแวดล้อมภายนอกแต่โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วนว น, ด, นด้านไปเท่าที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือสำหรับรับรูบร้คือเท่าจำนวนอายธตณมหกที่กล่าวมาแล้วเท่านั้น ดังนั้นอายัตนทั้งหกจึงมีคู่ของมันอยู่ในโลกเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้สำหรับแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกรับรู้หรือลักษณะอาการต่างๆของโลกเหล่านี้เรียกชื่อว่าอายัตนเหมือนกันเพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือเป็นแหล่งความรู้เช่นเดียวกันแต่เป็นฝ่ายภายนอกเพื่อแยกประเภทจากกันไม่ให้สับสนท่านเรียกอาณัตนะพวกแรกว่า อาญาตนะภายในคือเป็นแดนต่อความรู้ฝ่ายภายในและเรียกอาญตนะพวกหลังนี้ว่าอาญตนาภายนอกคือเป็นแดนต่อความรู้ฝ่ายภายนอกอาญตนาภายนอกหกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต้องกายและสิ่งที่ใจนึกโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าอารมณ์แปลว่า สิ่งอันเป็นที่สำหรับจิตมานงอยู่หรือสิ่งสำหรับยึดหน่วงของจิตแปล ง, ง่ายๆว่าสิ่งที่ถูกรับรู้หรือสิ่งที่ถูกรู้นั่นเองคำว่าทวาร น, นิยมใช้คู่กับอารมณ์อายตนะภายในคู่กับอายตนะภายนอกแต่ในที่นี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปจะเรียกอายตนะภายในว่าอายตนะ เรียกอายตนะภายนอกว่าอารมณ์เมื่ออายตนะซึ่งเป็นแดนรับรู้กระทบกับอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็จะเกิดความรู้เฉพาะด้านของอายตนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นเช่นตากระทบรูปเกิดความรู้เรียกว่าเห็นหูกระทบเสียงเกิดความรู้เรียกว่าได้ยินเป็นต้นความรู้เฉพาะแต่ละด้านนี้เรียกว่าวิญญาณ แปลว่าความรู้แจ้งคือรู้อารมณ์ดังนั้นจึงมีวิญญาณหกอย่างเท่ากับอายตนะและอารมณ์หกคู่คือวิญญาณทางตาได้แก่เห็นวิญญาณทางหูได้แก่ได้ยินวิญญาณทางจมูกได้แก่ได้กลิ่นวิญญาณทางลิ้นได้แก่รู้รสวิญญาณทางกายได้แก่รู้สิ่งต้องกายวิญญาณทางใจได้แก่รู้อารมณ์ทางใจ หรือรู้เรื่องในใจสรุปได้ว่าอายตนะหกอารมณ์6กและวิญญาณหกมีชื่อในภาษาธรรมและมีความเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ 1. จักขุคือตาเป็นแดนรับรู้รูปะคือรูปเกิดความรู้คือจักขุวิญญาณคือเห็น 2. โสตะคือหูเป็นแดนรับรู้สัทธะ เสียงเกิดความรู้คือโสตะวิญญาณคือได้ยิน3คานะคือจมูกเป็นแดนรับรู้ขันทะคือกลิ่นเกิดความรู้คือคานะวิญญาณคือได้กลิ่น 4. ชิวหาคือลิ้นเป็นแดนรับรู้รสคือรสเกิดความรู้คือชิวหาวิญญาณคือรู้รส 5. กายะ คือกายเป็นแดนรับรู้โพธพะคือสิ่งต้องกายเกิดความรู้คือกายวิญญาณคือรู้สิ่งต้องกาย 6. มโนโคือใจเป็นแดนรับรู้ธรรมะคือเรื่องในใจธรรมะคือเรื่องในใจนี้นิยมเรียกธรรมารมเพื่อไม่ให้สับสนกับคําว่าธรรมะที่ใช้ทั่วไปซึ่งมีความหมายกว้างกวางมากมายหลายนัยยะ มโนคือใจเป็นแดนรับรู้ธรรมารมคือเรื่องในใจเกิดความรู้คือมโนวิญญาณคือรู้เรื่องในใจ